เพราะช่วงต่อเนื่องเป็นช่วงที่สําคัญอย่างได้บอกแล้วว่าเหมือนการเราหุงข้าวต้มแกงเนี่ยต้องการไฟที่ต่อเนื่องสักพักหนึ่งก็จะมันก็จะสุกจิตของเราก็เหมือนกันในช่วงความต่อเนื่องความเพียรซึ่งมันจะหนักหน่อยก็ก็ถือว่าเหมือนไฟแล้วเร่งไฟหนักของก็สุกไวจิตของเราถ้าเราทําความเพียรต่อเนื่องกันรู้สึกจะหนักสักนิดหนึ่งแต่จิตของเราก็จะเปลี่ยน อยากภาวะที่มันเคยอยู่กับความคิดมาอยู่ความรู้ได้ไวนี่ความหมายว่าเราทําไมเราต้องเก็บต่อนึงยิ่งทุกข์ทางกายทั้งใจมันก็ยิ่งเห็นธรรมได้ไวถ้าเราไม่เห็นทุกข์ก็จะไม่เห็นธรรมเหมือนกับมืดอะถ้ามันไม่มืดสว่างมันก็ไม่ปรากฏตัวปรากฏแล้วจู้จี้ว่าเป็นสว่างเพราะมีความมืดเข้ามาเทียบไม่เห็นความสว่าง ถ้าโลกนี้มีแต่ความสว่างเราก็ไม่รู้จักความมืดถ้าโลกนี้มีแต่ความมืดเราก็จะไม่รู้จักความสว่างถ้าโลกนี้มีแต่ความทุกข์เราก็จะไม่เห็นตัวไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นมันก็เป็นธรรมชาติที่ที่ตัดกันเพราะนั้นเวลาทุกข์ให้เรารู้ว่ามันทุกข์เราเองเราจะไปกลัวแต่แก้ไขปรับไปเรื่อยๆแต่คนทั่วไปทุกข์ไม่รู้จักทุกข์ มืดไม่รู้จักมืดก็อยู่ในความมืดตลอดเวลาทุกไม่รู้จักทุกเราอยู่ก็นในความทุกตลอดเวลาเพราะนั้นเวลาทุกเวลานั่งกปนานๆทางกายก็เจ็บก็กลิงงก็เครียดตึงปวดนู่นปวดนี่ก็ให้รู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปถ้าเราไม่รู้ทุกก็คือเข้าไปเป็นมันฉันทุกฉันทรมานฉันปวดฉันหิวฉันเจบ็บฉันเหนื่อยอะไรนะ่มันก็นั่นแหลเข้าเป็นทุก แต่เราเห็นว่อความปวดไปอย่างนี้ก็ปรับไปอความเมื่อยไปอย่างนี้ก็กลับปรับไปนี่เขเรียกว่าเห็นทุกข์เราอยแก้ทุกข์เป็นแต่คนส่วนใหญ่เราเป็นทุกข์เราไม่เห็นทุกข์เราถึงแก้ทุกข์ไม่เป็นเราก็ไปเป็นทุกข์ตลอดเพราะกายเป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์ด้วยนี่พอเราเห็นทุกข์ทางกายพั๊บเราแก้ไขทุกข์ทางกายมันก็ไม่เข้าไปสู่ใจใจก็เป็นอิสระจากทุกข์เนี่ยรู้อย่างเงี้ยมันจะทุกข์ขนาดไหน เราก็ไม่กลัวลว้เราเจตนาที่ให้มันทุกไฟเราจะเล่นขนาดไหนเราก็ไม่กลัวเพราะเจตนาให้มันร้อนเพื่อข้าวแกงจะได้สุกไวนะถ้าไฟอ่อนๆแกงสักหม้อว่าริ่มเนี่ยถ้าไฟอ่อนๆไปไงมันจะไม่สุกนะต้มข้าวมไม่สุกเสียทีเหมือนกันถ้าเรามีทุกขมากๆถ้าหากว่าเราใส่ตัวรู้เข้าไปรู้ชั ด, ชด มันก็ทุกข์นั่นก็จะถูกเปลี่ยนได้ถูกเปลี่ยนเป็นไม่ทุกข์ถูกเปลี่ยนเป็นแสงสว่างถูกเปลี่ยนเป็นความเข้าใจถูกเปลี่ยนเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นทำเป็นนานแเราพยายามที่จะดูให้ทุกข์ให้ชัดๆแต่ถ้าหากว่าเราทําตรงนี้ไม่ได้เราจะก็เข้าไปเป็นทุกข์เออทําไมกูมานั่งแบบนี้ทําไมต้องมาทรมานแบบนี้ทําไมมันก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นในใจมากมายอันนั้นเรียกว่าเข้าไปเป็นทุกข์ เพราะเราไม่เห็นทุกเราจึงเกิดปัญหาเกิดความคำถามปัญหาคือคำถามทําไมทําไมทําไมทําไมนี่แดับคําถามคือปัญหาปัญหาคือความเหตุเกิดทุกข์แต่พอเรามาฝึกตัวรู้ตัวนี้ที่เราฝึกเนี่ยตัวรู้ตัวนี้มันก็จะพยายามใจมันก็จะมาแยกอยู่กับกายแต่ถ้าเราไม่กระตุ้นตัวรู้นะใจมันจะคอยเข้าไปอยู่กับความคิด เผือไม่ได้เข้าไปอยู่ในความคิดเพราะอะไรเพราะเราอยู่กันมาตลอดหลายภพหลายชาติหลากลับหลายกันไม่ใช่อยู่ตั้งแต่เกิดนะมันดูก่อนน้อนอีก <c oughs> เพราะฉะนั้นเผือไม่ได้ <c oughs> เผือจากการตามรู้ปับ๊บ <c oughs> เพราะฉะนั้นคนใหม่เนี่ยพยายามจับความรู้สึกส่วนใดส่วนหนึ่งให้ชัดๆเอาไว้ถึงแม้ว่ามันสร้างจังหวะมันหนักมันเหนือ่อยแล้วก็อีกมือเล่นก็อย่างดีหรือแม้กระทั่งขยี้มือเล่นก็อย่างดีเพื่อให้ใจของเราได้มีที่เกาะเกี่ยว พอกระแสของ ค, อความคิดมันเหมือนน้าเชี่ยวเราก็ไปขวางน้ําเชี่ยวถ้าเราไม่มีที่เกาะที่เกี่ยวนะกระแสน้ําเชี่ยวก็พัดเราไปแต่เรามีที่เกาะที่เกี่ยวสักนิดหนึ่งเราไม่อู้ฝังเราไปจับต้นไม้จับกิ่งไม้จับเรือจับแพรอย่างน้อยมันก็ไม่ถูกกระแสน้ําพัดไปแต่ถ้าเรามีที่เกาะที่เกี่ยวกายเนี่ยมันเปรียบเสมือนฝั่งเปรียบเสมือนเรือเปรียบเสมือนแพ่ การที่เรากระตุ้นความรู้สึกส่วนใดส่วนหนึ่งมาอยู่กับกายเนี่ยเหมือนเรามีที่เกาะที่เกี่ยวกระแสของความคิดกระแสของอารมณ์กระแสของความปรุงแต่งความฟุง้งความฝันมันจะไม่พัดเราไปไม่พัดลงไปในที่จมลึกพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าห่วงน้ำคือโอะสงสารโอฆคือห่วงน้ำที่พัดสัตว์ทั้งหลายลงไปมันมีอยู่สี่ห่วง วงแรกลยกามโมคะวังน้ำใหญ่คือหาดคือเหียวของน้ำเหมือนน้ำตกคือกามคือความอยากทั้งหลายเนี่มันเป็นกระแสที่เชี่วความอยากที่เป็นราคะตัณหาความอยากที่เป็นความยึดความถือความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันแรงเผลอไม่ได้เผลอก็ไปอยู่สิ่งที่มันอยากนี่เขาเรียกว่ากระแสโอคะคือกาม อันที่สองทิศโขคะกระแสะคือความคิดความคิดความเห็นความจะเอาอย่างงาน้นจะเอาอย่างงี้โปรเจกต์ Project. วางแผนวันหนึ่งไม่รู้กี่เรื่องกี่ราวคิดอยู่อยู่ในตรงในกระแสะความคิดนี่คือเรือโอคะคือห้วงน้ําเราจะจมลงไปในความคิดนั่นแหละจมลงไปห้องน้ําจมแล้วจมเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยเห็นเรือเห็นแพ แต่พอเรามากระตุ้นความรู้สึกตัวทางกายชัดๆเนี่ยเหมือนเรากเรากเาะเลือกเกาะแพรเกาะฝังได้แล้วออกมาจากความคิดได้นะเรียกว่าโอคะคือความคิดเห็นอันที่สามพระโวคะโอคะคือพบพบพบคือสภาวะเราเนี่ย ว่าเราเป็นอะไรเราเป็นใครเราเป็นหญิงเราเป็นชาย เ, เราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพระเราเป็นเนรเราเป็นเทนเราเป็นชีเราเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเราเป็นสารพัดที่เราคิดว่าสมมติว่าเราเป็นนั้นเป็นนี่นควจริง ม, มันไม่ได้เป็นอะไรมันก็คือกายกับใจธาตุสี่ขันห้าถ้าเราคิดว่า <Dod> เรา <c ười> เป็นพ่อลูกมาพูดกับเราไม่ดีไอความเป็นพ่อมันก็แสดงตัวแล้ว เราเป็นพ่อเขาทําไมไม่เชื่อคิดน้ออกน้อยใจเสียอกเสียใจถ้าเราเป็นแม่ลูกดูถูกลูกมาประมาทลูกมาสมประมาทเราก็ความเป็นแม่พบเห็นความเป็นแม่ก็ปรากฏแล้วน้อยใจเสียใจเราคิดว่าเราเป็นสามีภรรยาไม่เขาลบดูถูกดูแคลนเราก็ทุกข์เพราะพบของเราละ่ะเราคิดเป็นภรรยาสามีดูถูกด่าทอเราก็ทุกข์เพราะความคิดเห็นไหม เนี่ยทุกข์เพราะพบว่าเราเป็นนั่นไป น, นี่ใครมาแตะต้องเราเป็นครูเขามดาเราว่าเราไม่ใช่ครูเนี่ยเราก็ทุกข์เพราะความเป็นครูเราเป็นอะไรมันก็ทุกข์อะเป็นอันนั้นน่ยเขาเรียกพบภาวะเป็นกระแสแล้วก็อวิชโชคะโอคะคือห้วงน้ําคืออวิชชาคือความไม่รู้เขาเรียกรู้เท่าไม่ถึงการความเพอ้อเลือความไม่รู้เท่าทัน เราถูกหลอกถูกต้มถ okay. ูกห like ุงด้วยความคิดถูกการหามันหลอกไปกินนั่นไปซื้อนั้นซื้อนี้จะเอานั้นเอานี้ทั้งๆที่ไม่จําเป็นอ่ะบางอย่างบางสิ่งบางอย่างไม่จําเป็นแล้วก็ซื้อบางสิ่งบางอย่างไม่จําเป็นเราก็กินบางสิ่งบางอย่างไม่จําเป็นเราก็ไปบางสิ่งบางอย่างไม่จําเป็นแล้วก็พูดอย่างงี้นะเพราะเราไม่รู้ตัวเขาเรียกว่าวิโชคะมันเยอะมากๆ เพราะนั้นเราไม่ตกห่วงนี้ก็ไป ต, ต, ไ ต, ine, ไตกห่วงนี้ไม่ตกห่วงกลางก็ไปตกเรื่องทิฏฐิไม่ตกเรื่องทิฏฐิก็ไปตกเรื่องพบไม่ตกเรื่องพบก็ไปตกเรื่องอวิชชาแล้วก็จมผุดจมพูจมผุดจมพูมอยู่ในห้วงของความคิดห่วงขอ ง, อ ง, องความเห็นห่งของควา ม, วามอยากห่ของความเป็นห่วงของความไม่รู้นี่แหละเนี่ยมันเยอะมากๆเลยถ้าเราจะคิดไปอะแต่หลวงพ่อเทียนเราโชคดีที่เราพบหลวงพ่อเทียน แต่พระพุทธเจ้าท่านชี้แนะไว้แล้วแต่ไม่มีใครเอามา ข, ขยายผายแผลให้มันเห็นชัดแจ้งพอเรามาพบหลวงพ่อเทียนปับ๊บถึงได้รู้ว่าวิธีการไม่ยากวิธีการไม่ยากคือความคิดเป็นต้นเหตุเหมือนน้ำเนี่ในแอ่งในแก่งในวังในห้วยเนี่ยถ้าไม่มีน้ำเนี่ยเราจะจมไหมไม่จมใช่ไหม แต่เพราะมีน้ําอย่างเดียวนะมันก็กลายเป็นหาดเป็นแก่งเป็นแหวง่งเป็นวังเป็นห่วงเป็นทะเลขึ้นมาที่นี่เมื่อก่อนหลายแสนปีมันอาจจะกลายเป็นทะเลใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันมีน้ํานี่ยเราก็อยู่ได้สบายความคิดก็เปรือเส ม, มือนน้ามันไหลมาเรื่อยๆไม่ขาดสายเรารู้ไหมว่าวันมันไหลเรื่องอะไรมาเรื่องกามไหลมาเรื่องอพบไหลมาเรื่องทิฏฐิไหลมาเรื่องอวิชชาไม่รู้ตัว ไหลมาเป็นแอง่ยังเราก็ไปตกในความคิดจุ่มจมอยู่ในความคิดคิดพอใจคิดไม่พอใจถ้าหากว่ารักเราคิดแต่เรื่องรักเวลามันชังคิดแต่เรื่องชังเวลาเราชอบคิดแต่เรื่องชอบเวลาไม่ชอบคิดแต่เรื่องไม่ชอบอยู่นั่นแหละเห็นไหมมันเพราะความคิดตัวเดียวมันเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเทียนบอกว่าให้มาจัดการแต่ความคิดแล้วความคิดเป็นนามธรรมไปจัดการได้อย่างไร นะมันเหมือนเงาเอามายกอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเงาปรากฏแล้วเนี่ยเราจะไปไล่เงาไงไม่ใช่เท่าไหร่ไม่ได้แต่เราต้องมาจัดการกับตัวนี้เพราะตัวนี้ออกเงาก็ไม่มีแล้วเห็นไหมรูปนี้เหมือนกับอัเนี้ยน้ำเนี่เหมือนนั่นเหมือนเงาเลยน้ำ ม, มีสองอย่างหนึ่งน้ำล้นล้ น, นคือแสงสองน้ำ ม, มารูปคือเงาที่ปรากฏ สามรูปนามคือตัวนี้เพระนั้นหลวงพ่อเทียนเบื้องต้นที่สุดในวิธีการหลงเทียนให้รู้จักรูปนามคือให้รู้จักตัวนี้ก่อนสองให้รู้จักนามรูปคือเงาสามให้มารู้จักความรู้สึกตัวคือนามรูปคือสติคือแสงาขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ปรากฏไม่มีแสงเงามีไหมมีแสงแต่ไม่มีวัตถุเงามีไหม มันมันสัมพันธ์กันแต่นั้นสามอย่างนี่เราจะหาอะไรก่อนหาแสงหารูปอันนี้หรือหาเงาหาอะไรก่อ น, น, นกกอือเราเข้ามาที่นี่ถ้าเรามันมืดเนี่ยเราควรหาอะไรก่อนอหาแสงก่อนชีวิตเราเกิดมาเรามืดทั้งนั้นใช่มมืดด้วยความโลภมืดด้วยความโกรธความหลงสิ่งที่เราต้องหาก่อนคืออะไร คือแสงสว่างคือปัญญาแต่ว่าใครมาสอนเราบ้างเวลาเราเกิดมาใช่ไมพ่อแม่เราก็มืดมาทั้งนั้นถ้าพ่อแม่ไม่มืดก็ไม่มีเราเหมือนกันถ้าเราไม่มืดเราก็ไม่มีลูกเราเหมือนกันนะใช่ไเราอยู่ด้วยความมืดอ่ทั้งที่เรารู้แต่ว่ า, าทำไม่ได้เพราะไม่มีใครมาชี้เรานะเราก็มืดกันไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้านามาเพราะว่าชูแสงสว่างในที่มืดที่บอกวันก่อนว่า งายของที่คว่มเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางชูแสงสว่างในที่มืดหน้าที่ของพระเจ้าหน้าที่ของครูบาอาจารย์เมื่อท่านชูแสงสว่างคืออะไรคือความรู้สึกตัวนี่คือแสงสว่างเราก็ามาทำความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆในขณะที่รู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะมีอะไรเข้ามาใครเป็นผู้รู้กายเป็นผู้รู้หรือใจเป็นผู้รู้ เรารู้อะไรรู้กายและรู้ใจที่เราทำเนื้อรู้กายและรู้ใจรู้ทั้งสองอย่างเลยว่ากายคือรูปใจคือนามรู้ทั้งกายทั้งใจขณะที่เรายกเนี่ยถ้าไม่มีใจเนี่ยยกได้ั้มไม่ได้ถ้าไม่มีกายเราก็ยกไม่รู้ถ้ามีกายในตัวรู้ก็ไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นอาศัยกายอาศัยใจเนี่ยสร้างตัวรู้ ตัวรู้ที่มันมีอยู่แล้วถ้าเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ตัวรู้ที่เราเจตนาสร้างตัวรู้ตัวนี้เรียกว่ายานไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เป็นตัวยานตัวเดียวญานังอุทพปะิจะกุงจะคุงุทัพปทิยานังอุทัปะินั่นหมายความว่าเราต้องสร้างดวงตาสร้างดวงตาขึ้นมาก่อนคือปัญญาปัญญาคือดวงตาตัวรู้คือแสงสว่างคือยานคือสติ เราก็มาสร้างตัวรู้ตัวนี้ถ้าหากว่าความมืดมันมากก็แสงสว่างก็ต้องมากความมืดตื้อเนี่ยเราจะใส้แสงสว่างสามแรงเทียนห้าแรงเทียนไม่พอต้องเป็นร้อยแ่งเทียนพันแ่งเทียนขึ้นไปเหมือนกันตัวรู้เรารู้ได้ไงเรามืดก็เพราะเราเผลอที่แหลมคิดที่นั้นมืดมันปรากฏเราวใช่ไหมหมึดปรากฏตอนที่เราเผลอคิดนั่นแหละแต่ถ้าเราตั้งใจคิดเป็นแสงสว่าง แต่ถ้าเราไม่ตั้งใจคิดความคิดมาเองเป็นความมืดเพราะฉะนั้นในชีวิตประจําวันของเราระหว่างความคิดที่เราตั้งใจคิดกับความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดเนี่ยอันไหนมันมากกว่าใช่ไหมที่เผื่อคิดอะมันมากกว่านั่นอนะความมืดที่มันมาเองเนี่ยมันเยอะกว่าแต่ว่าความมืดที่เรารู้ว่าเราก็รู้พอเข้าไปรู้ปุ๊มันเป็นแสงสว่างในที่ไหนก็ตามที่มันมืดสิ่งแรกเราคือต้องหาไฟฉาย หาคบเพลิงเรารู้ว่ามันเป็นความคิดเราก็สร้างตัวรู้ขึ้นมารู้ขึ้นมาเพรารู้ชัดๆความคิดเป็นไงอยู่ได้ไหมไม่ได้หายไป น, นี่คือ <c oughs> คือหลักการง่ายๆอย่างเนี้ยแต่ทําไมทํายากเพราะเราจึงสงสัยยังไม่แน่ใจยังไม่มีประสบการณ์นะขณะวันนี้เนี่ยหลวงพ่อทำมา20 30ปีหลวงพ่อไม่สงสัยล้วหลวงพ่อทำเท่าไหร่ได้เท่านั้น แต่พวกเราธรรมดามนะาทรับสาวันหวันจะให้หายสงสัยเหมือนหลวงพ่อเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ให้ใช้ศรัทธาไปก่อนให้เชื่อไปก่อนให้ทําไปก่อนแล้วปัญญามันก็ค่อยเกิดมาแต่ก่อนหน้านี้มันก็เกิดปัญญาก่อนนะเกิดปัญญาว่าเออมาทําอย่างนี้มันน่าจะดีเออมาทําอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลน ะ, ะเกิดความคิดอย่างนี้ก่อนทําไมที่ว่าเหตุมีผล ก็เพราะว่ามีคนมายืนยันมีครูบาอาจารย์มาบอกมีคนอย่างครูตายมีคนอย่างครูรายชันไปทำมาแล้วมายืนยันกับวเรามีพี่เลี้ยงอย่างคุณนกยุงไม่ชีอาจารย์ยุทธคุณจีรากรคุณมาเป็นแบบอย่างให้เราเออแสดงว่าบุคคลเหล่านี้ได้ทำมาก่อนไม่ใช่ว่าจู่ๆเราจะมาทํากันมีบุคคลที่เป็นตัวอย่างให้เราเห็นให้เรารู้มาก่อนว่าบุคคลเหล่านี้ถ้าเขา จะโง่แล้วเขาโง่กว่าเราโง่ก่อนเราแต่เขาคนเหล่านี้ไม่ใช่คนโง่เขาก็จะต้องทํามาก่อนเราแต่เราก็ทําทําตามเรามึ่งกันทําตามพระพุทธเจ้าทําตามพระอรหันต์พระธรรมพระอริยเจ้าท่านทำมาสองสามพันปีแล้วแล้วเราทําไมทําไม่ได้อันนี้ลักษณะคิดแบบนี้เขาเรียกเกิดปัญญาหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายก่อนจะเชื่อพอมันมั่นใจแล้วทีนี้โอ้มันนั่นสงสร้างจังหวะอย่างไม่หลังเละแล้วทีนี้ เราเริ่มมีหลักฐานมีข้อมูลยืนยันแล้วนั่งสั้างจะวะ่าตามรู้ไปเพื่อที่จะตัดทอนความคิดอันเกิดจากความสงสัยนีย่ออกไปแต่ความคิดโดยวความเผลอความคิดด้ยวความไม่รู้เนี่ยมันก็เป็นมาบางครั้งบางคราวเราค่อยตัดไปมันก็เป็นการสู้ศึกหน้าเดียวคือหมายความว่าเราต้องอพยายามที่จะรู้ในส่วนที่เรายกเราเคลื่อนเนี่ยทนานานไปเนี่ย ไอ้ตัวที่ ร, รู้ที่มือเนี่ยมันไม่พอละไอ้ตัวที่มันเป็นกฎแต่รักมันทำงานอยู่ด้วยขณะนี้ทางานมานั่งนี้ไม่ถึงชั่วโมงไปหนักมะหนักอลไรใช่ไหมเราก็ไปดูตัวนั้นด้วยเรียกวรู้กายไปรู้ตัวนั้นเด้อคือเร า, เ ร, ารู้เวทนารู้เพื่ออะไรรู้เพื่อที่จะเรื่องของทางกายเนี่ย <c oughs> เรื่องของเวทนามีอย่างเดียวคือต้องบาบัด ต้องบำบัดถ้าไม่บําบัดแล้วนี่มันก็จะเพิ่มทุกข์ทุกข์ตัวนี้มันก็จะล้นไปสู่จิตถ้าหากว่าหนักหน่วงมากๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตคืออะไรความไม่สบายใจใช่ไหมความไม่พอใจความองุดหงิดความราคาญความเบื่อหน่ายนั่นแสดงว่าความไม่สบายของกายมันล้นไปสู่อะไรล้นไปสู่ใจแล้วถ้าเราไม่บำบัดที่กาย ระหว่างบําบัดความไม่สบายที่กายกับบําบัดความไม่สบายที่จิตเนี่ยอันไหนง่ายกว่ากายง่ายกว่าใช่ไหมอ่าเราก็รีบบำบัดซะถ้าไม่รีบบำบัดปล่อยไปนานๆมันเข้าไปสู่จิตยากละทีเนี้ยอ่ายากแล้วระหว่างความไม่พอใจกับความปวดที่ขาเนี่ยอันไหนบำบัดง่ายกว่าใช่ไหมขี่ขาแค่แค่แค่นี้มันไปแล้วเนี้ย แต่ถ้าโ ย, ยมไม่พอใจอะไรขึ้นมาเนี่ยโยมจะพลิกจะเปลี่ยนกี่จังหวะกี่ท่าเนี่ยมันก็ยังไม่พอใจอยู่นั่นแหละใช่ไหมดังนั้นเธอเละบอกให้บำบัดความไม่สบายกายให้ให้ดีถ้าไม่บำบัดให้ดีถ้ามันหนักมันหน่วง ม, ม, มันถ่วงมันทับมันไปเกิดความไม่สบายใจพอไปเกิดความไม่สบายใจการจะเอาความไม่สบายใจออกมันยากเพราะอันนั้นถือตัวสมุทัยที่แท้จริง แต่อตัวความไม่สบายกายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวสมูทัยเขาเลือกตัวทุกขารักษณะคือมันเป็นักทุกที่มันเกิดจากไตรักเป็นสิ่งที่เราต้องบำบัดแก้ไขได้แต่ทุกอันเกิดจากตัวสมูทัยคือตัวเหตุคือความอยากความชอบความไม่ชอบเนี่ยมันเป็นสมูทัยแต่ตัวไม่สบายกายเนี่ยมันไม่ใช่เหตุนะแต่เป็นตัวร่วมของเหตุ เป็นตัวร่วมหมายความว่าถ้าเราไปบําบัดไม่แก้ไขไม่จัดการมันให้ดีเนี่ยมันก็ไปเกิดตัวนั้นดังนั้นจึงบอกว่าการบําบัดแก้ไขาทางกายเนี่ยมันง่ายเราก็ทําเสมอปรับตรงนั้นปรับตรงนี้นั่งเวลานั่งปฏิบัติหลวงพ่อถึงคอยเตือนว่าออคอยบําบัดแก้ไขนะเพราะถ้าไม่บำบัดแก้ไขตรงนี้มันก็จะไปเกิดตรงนั้นมันจะยากกว่านะ อันนั้นเองแค่นี้ง่ายๆไม่มีอะไรยากแต่ถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้นะมันจะพัฒนาไปเองมันจะเกิดสติเกิดปัญญาเกิดวิธีการของมันเองนั้นเรียกว่าได้ดวงตาเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเปิดดวงตาเราท่านให้แสงสว่างหน้าที่การเดินทางไม่ยากละเราหาวิธีดาวเดินเอาเองแต่เบื้องต้นเราจะต้องเกิดดวงตาและเกิดแสงสว่าง ดังนั้นในธรรมจักท่านหนึ่งสวดเลยจะขุงอุทาปาทิจะขูเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณังอุทาปาทิญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราคําว่าญาณได้แก่อะไรปัญญาอุทาปาทิวิชาวุทาปาทิอโลกโกาาได้แก่ปัญญาได้แก่แสงสว่างได้แก่วิชานั่นหมายถึงญาณแปลว่าตัวรู้ไอตัวรู้นี่เกิดได้ไงคําว่าตาเปิดมาถึงว่าได้สติ ยานเกิดหมายถึงได้ปัญญาแล้วสังสติปัญญาเกิดจากอะไรเกิดจากตัวที่เราลงมือทาคือสติสัมปชัญญะแล้วสติสัมะเกิดจากอะไรเกิดจากอาตาปีคือขยันทาขยันรู้เรียกว่าอาตาปีที่เราสวดทวนะในสติประฐานสูตรนะัอันนี้เป็นตัวสติประฐานสูตรในนิยามในความหมายของการเคลื่อนไหว แต่ในสถิประธานสูตรเขาในหลักสูตรของพุโทโธพวกหนอพวกสมรรคเขาอธิบายอีกแบบหนึ่งเขาไม่ได้อธิบายแบบนี้มันจึงทํายากไงมันจึงรู้ยากแต่พอเรามาพบวิธีกรารหลวงพ่อเทียนท่านอาธิบายแบบนี้มันเลยรู้ง่ายเข้าใจง่ายซึ่งตามปฏิคนในระดับเราๆ เ, เนี่ยจะมารู้เรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ของธรรมดาเลยนะแต่เราก็รู้ได้เพราะมีครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้เห็น รู้แจ้งเห็นจริงเรื่องนี้ท่านมาอธิบายจนชัดเจนคนโง่ๆอย่างอ้ตมาก็ทําเป็นและโยมทั้งหลายที่มีประสบการณ์ชีวิตมามากกว่าธารมะมันก็ยิ่งทําง่ายใช่ไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแต่ว่าเรารู้สึกตัวได้ไวนะรู้สึกตัวได้ไวทําให้เรารู้ว่าเออร่างกายนี้มันหนักตรงไหนเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนก็ปรับไปเรื่อยๆจิตใจมันไม่สบายตรงไหนมันคิดตรงไหนก็ปรับไปเรื่อยๆจนกระทั่ง การที่เราเข้าไปปรับกายปรับใจบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยมันกลายมาเป็นตัวรู้ตัวยานปัญญาตัววิชาแล้วเกิดแสงสว่างในใจเพราะอะไรจิตของเราที่มันมืดอ่ะเพราะมันส่งออกไปข้างนอกเหมือนไปใชอ้อ่ะมอิสออข้างนอกที่ตัวเองมืดใช่ไหมแต่วันดีคือดีองค์พ่อเถียนบอ ก, กับหน้าไฟฉายกับเข้ามาดูตัวเองอกับหนมาดูตัวเองเราก็จะเห็นตัวเองชัด เวลาเราเดินทางกลางคืนเนี่ยเราใช้ไฟสายไปใช้เนี่ย <c oughs> ระหว่างส่งไปข้างหน้ากับส่งที่ทางเดินเนี่ยโยมสองอันไหนมากกว่ากันอ่าใช่ไหมถ้าหมดได้สองข้างหน้าไม่ส่งทางเดินไปไงอ่าเดี๋ยวไปสะดุดไปเหยียบอะไรที่ไม่รู้เพราะฉะนั้นนั้นอ่านก็ส่งข้างหน้าทีไปทางไหนใช่ไหมอต่้างที่เรากำลังเดินทุกย่างก้าวต้งส่งฉันใดก็ดี ตัวรู้ของเราตัวคิดของเราเนี่ยต้องกลับมาส่องที่ตัวเองมากกว่าที่จะคิดไปข้างหน้าอ่าอันนี้คือข้อแท้จริงที่มันมีอยู่แต่เราก็นึกไม่เคยถึงอ่ะเพราะยังไม่เกิดประสบการณ์นะเรามักจะนึกถึงเหตุการณ์ที่แท้จริงเสมอเหตุการณ์ที่เป็นรูปธรรมภายนอกที่เป็นจริงแล้วเอามาใช้กับส่วนนามธรรม ท, ที่กำลังปรากฏแ้วการปฏิบัติก็จะง่าย นะเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อวานผมให้ข้อมูลให้ข้อปฏิบัติว่าไงจำได้ไหมลืมไปละข้อสอบเมื่อวานว่าไงให้ไปดูอะไรเมื่อวานตัวรู้และตัวคิดเนี่ยอันไหนมาก่อนอันไหนมีอยู่ก่อนได้คำตอบหรือยัง ไปดูทั้งวันเมื่อวานได้คำตอบหรือยังไมิจฉีได้คําตอบหรือยังตัวรู้แต่กระโดดคิดอันไหนมีอยู่ก่อนแล้วทําไมเราไปอยู่กับตัวคิดอ่ะคือความที่ว่าเราไม่รู้สึกตัวความคิดมันแทรกเข้ามาเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมรู้ความรู้มีอยู่ก่อนแต่เพราะเราไม่รู้จักตัวรู้ตัวนี้เราก็เลยไปอยู่กับตัวคิดตัวคิดมันมาทีหลัง หลวงพ่อเลยเปรียบสมือนว่าตัวรู้เหมือนเจ้าของบ้านใช่ไหมตัวคิดเหมือนกับแขกเราเนี่ไปเชื่อแขกมากกว่าเชื่อเจ้าของบ้านในที่สุดก็แขกเราก็กลายเป็นโจรน่ะเอาเปรียบเรานั่นน่นเราไปเชื่อความคิดมากกว่าเชื่อตัวรู้เราไปต้อนรับตัวคิดมากกว่าต้อนรับตัวรู้เมื่อวานคือข้อสอบข้อนี้ใช่ไหมแล้วใครทําได้บ้างวันนี้ข้อสอบใหม่ข้อสอบวันนี้ก็คือว่า เมื่อหลวงพ่อกิืนมาว่าตัวแสงตัววัตถุและตัวเงาเราควรที่จะเห็นอันใดก่อนเห็นอะไดตามมาเราควรจะรู้จักอะไรเป็นอันดับหนึ่งควรจะรู้จักอะไรเป็นอันดับสองควรจะรู้จักอะไรเป็นอันดับสามวันนี้ให้ไปคิดปัญหาเรื่องนี้ ให้ไปทำดูหนึ่งคืออะไรแสงสว่างที่เราต้องทำตลอดเวลาใช่ไหมสองวัตถุที่เราใช้สอยที่เราจับต้องสามเงา <c oughs> เพราะนั้นทั้งสามอย่างถ้าเป็นนามธรรมาถ้าเป็นกายเป็นใจของเราเนี่ยมันได้แก่อะไรให้ไปดูชัดๆทั้งสามอย่างเนี่ยแสงคืออะไร เกิดอย่างไรวัตถุคืออะไรอยู่ตรงไห น, นแล้วเงาคืออะไรเห็นมันไหมเข้าใจไหมปัญหาขอ้อนี้เข้าใจนะที่หลวงพ่อพูดถึงว่าแสงวัตถุเงาอันนี้เป็นลูปประมนะแต่วันนี้โยมลงไปหาในความหมายตองนามาทำมาดูว่าแสงเกิดขึ้นได้อย่างไรวัตถุอยู่ที่ไหนแล้วก็เงาเกิดขึ้นได้อย่างไร ตอนเย็นจะมีการสอบอารมณ์ด้วยแล้วก็มีถามปัญหาตั้งแต่เย็นวันนี้เป็นต้นไปจะมีการสอบอารมณ์แต่ช่วงเช้าก็จะได้ให้หลวงพ่อเขาจะได้มาตอบบางทีที่สอบอารมณ์ไปแล้วตอบถูกบ้างผิดบ้างแต่ชวว่วงเช้าหลวงพ่อเขจะมาเคลียร์ทีหนึ่นะข้างนอกเรียบร้อยอ ย, ย่างกุเลยชิ่นเรียบร้อยแล้วบอกด้วย ดังนั้นเราจะเห็นว่ามันไม่ยากถึงแม้ว่าเป็นเรื่องของนามธรรมานะแต่เราจะต้องมีคุณสมบัติที่หลวงพ่อพูดไว้แรกมีคุณสมบัติหประการคืออะไรบ้างหนึ่งต้องมีอะไรมีศรัทธามีความรักใช่ไหมสองมีอะไระมีความขยันที่จะทำลงมือทำรักแล้วต้องมือทำสามมีอะไร มีความรู้สึกตัวที่ปกติไม่ขาดตกบกพร่องไม่ขาดสติส ม, มีความตั้งใจ 4. มีการสำรวจตรวจสอบเข้าใจนะอันนี้คุณสมบัติพื้นฐานนะดังนั้นวันนี้ข้อสอบสามข้อเอาลองไปทำดูว่าอะไรคือแสงสว่างอะไรคือรูปอะไรคือเงาจำได้นะ